ในโสรสะมานวกะปัญหานิเทศเนี่ย น, น, น, นี่ก็เป็นคาถาสรุปของมาน์ทั้ง16ท่านในหน้า432กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคจเจ้าได้ตรัสเช่นนี้แล้วเมื่อประทับอยู่ที่ปารสานากะเจดีแคว้นมคธพรามณ์16คนทั้งปิงคิยาพรามผู้เป็นปริจาริกาทูลเชื้อ่อทูลเชื้อเชิญถามแล้วถามแล้ว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 ทั้งปิงคยะพราหม์ผู้เป็นปริจาริกาคือคนรับใช้นะอีกอย่างหนึ่งพราหม์สิคนนั้นพึงเป็นปริจาริกาผู้ประเสริฐที่ปรารถนาแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วคือตอนแรกพราหม์สิท่านก็เป็นสิทธิ์ของพราหม์ภาวรีตอนหลังฟังธรรมบรรลุธรรมก็เป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้า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 คำว่าแห่งธรรมะปริยานนี้คือปรายันสูตรนี้เพราะฉะนั้นธรรมะปริยายนนี้อมะตะนิพานคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายตันหาความดับความออกจากตันหาเครื่องร้อยรัฐท่านกล่าวถึงฝั่งสัมมาส ม, มาธิท่านกล่าวว่าอายณนะเนี่ยนะก็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 พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีจรณะนะความสำเร็จแห่งศีลและอาจาระคือศีลและมารยาททางกายวาจาเนี่ยท่านกล่าวว่าจรณะสีละสังวรก็ดีอินสีสังวรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยกสัตธรรมเจ็ดคือสัทธาหิริโอตะปะวิรยิย ส, สุทธสุตสติปัญญาฌานสี่คือปฐมฌานเป็นต้นเรียกว่าจรณะเนี่ยนะจรณะ15นะ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 มีจารณะเป็นประธานมีจารณะอันอุดมมีจารณะอย่างยิ่งเนะีเรียกว่าพระองค์พูดถึงพร้อมด้วยจารณะเนี่ยนะปัญหาที่พราหมณ์มาถามอาราธนาเชื่อเชิญให้ประสาทแต่ละปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ละเอียดคือซึ่งปัญหาที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ได้ยากสงบประณีดไม่พึงยังลงได้ด้วยความตรึกต้องบรรลุจริงๆแหละจึงจะเข้าใจนะเป็นปัญหาที่ละเอียดที่บัณฑิตพึงรู้ได้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 พระองค์ก็ทรงให้ยินดีคือทรงให้ยินดีให้ยินดียิ่งให้เลื่อมสายให้พอใจทรงทําให้เป็นผู้ปลื้มใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นมุนีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพราหมณ์เหล่านั้นมาถามปัญหาพระองค์ก็ตอบตามสมควรพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีทรงได้พยากรณ์ให้พราหมณ์ทั้งหลายยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายพราหมณ์นั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุ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 อีกอย่างหนึ่งอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากามตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสามาธิเนี่ยนะเรียกว่าพรหมจรรย์มันคําว่าพรหมจรรย์นี้ด้วยสามารถกล่าวตรงๆก็คืออริยมรรคมีองค์8ปดมันพราหมณ์เหล่านั้นทั้ง16ท่านเนี่ยก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติสมาทานประพฤติเพราะฉะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์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 นนะมักครปป h a r จ a จนในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐผู้ใดพึงปฏิบัติธรรมแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วผู้นั้นพึงจากที่ไม่ใช่ฝังไปถึงฝัง น, นะถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยนะ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 ส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ฝังก็คือกิเลสกับอภิสังขารเรียกว่าไม่ใช่ฝั่งก็คือกิเลสวัตกับกรรมวัตเนี่ยไม่ใช่ฝังแน่นอนเพรา ะ, ะนั้นก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมดังที่กล่าวไปก็จะถึงที่มิจะจากที่ไม่ใช่ฝั่งคือโลกิยาเนี่ยนะถึงฝั่งคือโลกุตระพึงจากที่ไม่ใช่ฝังไปถึงฝั่งคือบรรลุถึงถูกต้องทําให้แจ้งซึ่งฝั่งคือพระนิพพานสรุปว่าผู้ใดปฏิบัติธรรม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 ที่ไม่ใช่ฝังก็คือกิเลสอภิสังขารขันเนี่ยนะก็คือวัตะในภูมิสามะนะทั้งที่เป็นกิเลสเป็นวิบากเป็นกรรมะนะกรรมวิบากกิเลสเรียกว่าวัตะเรียกว่าไม่ใช่ฝังละส่วนอมะตะนิพานความสงบระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสินมส้นตันหาความคลายกำหนัดความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตท่านเรียกว่าฟังเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมนี้ก็จะถึงฝัง จากที่ไม่ใช่ฝั่งจะออกจากโลกียะเข้าถึงโลกุตระมักมีองค์8นะนะที่แบบเมื่อผู้ใดเจริญมักก็คือเจริญอริยมักมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่ามักเพรท่าผู้ใดที่เจริญมักมักที่อุดมคือสูงสุดประเสริฐวิเศษอันเลิศเป็นประธานสูงสุดอย่างยิ่ง กา น, นถ้าคําว่าเจริญก็คือเจริญซ่องเสพทําให้มากซึ่งอริยมรรคเนี่ยนะมรรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งมรรคก็มีหลายชื่อนะทางภาษาบาลีเช่นมรรคปันถาปัตถปัจชะอัญชสวัตุไมายณนะนาวาอุตระเสตุป ก, กุละ น, นะสังกัมมะทุกอย่างก็แปลว่าทางหรือแปลว่ามรรคหมดเลยอันท่าปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ดก็เพื่อให้ถึงฝั่งคือเพื่อให้ถึงฝั่งให้ถึงพร้อมซึ่งฝั่ง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 พระนิพานเนี่ยนะมรคนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งคือพระนิพานเพราะเหตุนั้นมรท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งหลังจากจบคาถาทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ก็บรรลุ14โกธเนี่ยนะว่าตามปรายณวัคเนี่ยนะบอกว่าชดิน1600งคนเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์เทวดาและมนุษย์นับได้14โกธที่เหลือได้ตรัสรู้รำบรรลุ14โกดนะ แต่14โกดก็140ล้านบรรลุเทวดามนุษย์บรรลุมรคผล ท, ทั่วไปเนี่ยนะ140ล้านบรรลุเป็นพระอรหันต์ 16,000 ไม่มีเราเลยเนะเ<ร>าะเพราะฉะนั้นเมื่อจบประเทธรรมเทศนาเนี่ยพวกมนุษย์จากที่นั้ น, น, นก็ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็กลับไปยังคา ม, มานิคมของตนของต น, งตนกลับถึงบ้านโดยธรรมดาเลยนะด้วยบุญของพระพุทธเจ้า